อาจารย์เนียมในปีพศ2489นั่นเองเป็นเดือนพฤษภาคมแรมเจ็ดค่ำเวลาเช้าบินทบาทมาถึงวัดแล้วกำลังเตรียมจะแต่งบาทฉันพระอาจารย์เนียมมีพรรษาล่วงไป18พรรษาองค์ท่านป่วยมานานประมาณหนึ่งเดือนกว่าองค์ท่านตั้งเตียงพักอยู่โรงจงกรมเก่าของหลวงปู่มัน่นใกล้กับศาลาฉันอาหารประมาณเจ็ดแปดวางได้สิ้นลมปลานไปแบบสุภาพ สกุลกายไม่มีกระดิกหรือเคลื่อนไหวอันใดปรากฏเห็นแต่ลมเบาไปหมดไปเท่านั้นงามมากหน้าเขารบมากน่าเลื่อมใสมากผู้เขียนได้เห็นกับตาทิจารณากับใจพระอาจารย์มหาบัวก็ได้เห็นด้วยหลวงปู่มั่นอยู่สาลาก็ทราบเพราะได้กราบเรียนแล้วหลวงปู่มั่นปลาลบว่าเออท่านเนียมก็ไปแล้วในส่วนสิ้นลมปพาน เธอเล่ากับเราบ่อยๆว่ารู้จักวิธีภาวนาแห่งสมมติแล้วพวกเธอมาศาลาฉันเชาสซักปล่อยให้อยู่นั่นเสียก่อนฉันเสร็จแล้วเก็บบริขารแล้วจึงว่ากันใหม่แล้วก็ปล่อยไว้ไม่มีใครเฝ้าอยู่ดอกเมื่อฉันเสร็จขนบริขารขึ้นกุฏิเรียบร้อยแล้วหลวงปู่มั่นเดินมาจากกุฏิองค์ท่านพอมาถึงศพก็ก้มลงจับเสือสองมือทั้งมือซ้ายและมือขวาทางหัวศพ พร้อมทั้งกลางขาออกแบบขึงขังพร้อมทั้งปาลบว่าพวกเหล่านี้มันขี้โง่พากันเกิดมาตายเล่นเผากันเล่นอยู่อย่างนี้พระอาจารย์มหาว่าถ้าจะเอาจริงๆพวกเก้าจะพากันเอาดอกว่าแล้วยกมือใส่หัวแกะมือหลวงปู่ออกหลวงปู่ตอบว่าเราไม่ใช่จะทําเล่นดอกที่นี้พระก็ลุมกันจับเสือโดยรอบศพเป็นวงรอบพระพวกผู้ใหญ่อยู่ทางหัวศพพระผู้ขนาดกลาง ก็อยู่ระหว่างกลางตัวศพพวกพระผู้น้อยก็อยู่ทางเท้าศพชูกันไปถึงริมวัดพิตะวันออกเฉียงใต้ในเขตบริเวณวัดหลวงปู่มั่นปลาลกว่าไปบอกโยมบ้านหนองถือว่าหลวงปู่จะพาเผาพระอาจารย์ด่วนเดี๋ยวนี้แล้วก็บอกเนยนตาปากเขาและพระว่าเอารีบเอาฟืนโดยเร็วต่างก็รีบเอาฟืนโดยเร็วพ้าเอาไม้ตายเนนตาปากเขาเอาไม้ดิบปะคนกัน เดียวเดียวฟืนก็พอเพราะฟืนไม่หดหลวงปู่ก็บอกว่ายกศพขึ้นตะแคงข้างขวาไม่ต้องล้างศพดอกไม่ต้องคุมผ้าจีวรให้ดอกเพราะตายแล้วจะล้างทําไมคุมห่มทําไมนั่นประคฏเอวใหม่ๆอยู่แก้ออกมาเอาไว้ให้ผู้ขาดเสือนเสร็จแล้วบอกตาปะขาวจุดไฟโดยด่วนไฟเดือนหกไดูร้อนแสบลุกกุ่นขึ้นโดยด่วนชาวบ้านมาถึงไฟลุกโคลงขึ้นแล้วที่นี่องค์ท่าน ก็ให้เอาผ้าปูนั่งของใครของมันปูกับพื้นดินผมผ้าจะเหวียงบ่าแล้วกล่าวว่าเราจะพาว่ามารติกาเป็นพิธีไม่ว่าเอาสการไคร่ดอกพอจบแล้วก็กลับที่ใครที่มันพอตกเวลาเย็นใกล้ค่ำไฟไหม้ศพเหลือแต่หัวกับหน้าอกพอตกตอนพลบคำ่ำองค์หลวงปูกล่าวว่าพาท่นเห็นอาจารย์ไหมไฟเผาอยู่นั่นเรียดจงกลมภาวนาเข้าเดี๋ยวจะตายเปล่า ถ้าพระเจ้าได้สังเกต ด, ดูว่าองค์ท่านจะพาสวดมนต์เป็นพิธีไล่ถีหรือไม่หนอแต่เห็นท่านไม่เกี่ยวไม่ยุ่งและก็นึกในใจว่าหลวงปู่มั่นมีเด็ดเดี่ยวมากหาผู้เทียบได้ยากในสมัยปัจจุบันไม่แอบเอาลายได้กับสดสดแสบของลูกศิษย์เลยเชื่อกรรมและผลของกรรมที่ตนทำเอาเองอันยังมีชีวิตอยู่จริงๆแม้ที่ชายของท่านผู้มรณภาพก็มาถึงแต่หลายวันแล้ว คือโยมแทงบ้านโกกนามนตพระอาจารย์เนียมก็คนบ้านโกกนามนจังหวัดสกล น, นคร น, นั่นเองไม่ใช่อื่นไกลเลยและหลวงปู่มั่นปลาลบเปิดเผยต่อพระเนียในยุคนั้นขณะนั้นว่าท่านเนียมเป็นพระโสดาบันแล้วไปเกิดชั้นบกอาพัสลาแล้วข้าพระเจ้าก็คอยสังเตกตเห็นว่าองค์หลวงปู่จะทําประการใดหนอจะประกาศญาติโยมหรือประการใดหนอว่าเดี๋ยวนี้พระมรณภาพ อาตมาจะพาทำบุญอุทิศท่านผู้ใดจะมีศรัทธายังไงก็สมทบทุนกันองค์ท่านก็เงียบเลยแต่บอกโยมแทงอันเป็นโยมพี่ชายของพระอาจารย์เงียมว่าโยมแทงถ้าอยากได้กระดูกก็ไปเอาเสียเน้ออาตมาไม่เอาดอกเพราะอาตมาไม่อดกระดูกอาตมามีแต่จะทอดอะไรในกระดูกนั่นแหละถ้าโยมไม่มีกระดูกก็ไปเอาซัโยมแทงกราบเรียนว่าเก้าก็ไม่เอาดอก ก้าก็ไม่อดเหมือนกันแท้จริงนั้นโยมแพงลงมติของหลวงปู่มั่นทุกกรณีแบบลาบคาบมาแต่นมนานแล้วไม่จืดจางเลยท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังคงไม่สนิทใจในตอนนี้แต่ผู้เขียนสนิทใจอยู่จึงได้กล้าเขียนไว้ถ้าไม่เขียนไว้ประวัติอันสำคัญจะไม่ยังคงที่จะลบเลือนไปถึงโลกปัจจุบันจะเป็นปัญหายุ่งเหยิงในส่วนนี้ ก็ลงเอยอยู่กับปฏิปทาแต่ละลายของบุคคลหลวงปู่มั่นมิได้ชื่นมาต่อสู้อธิกรณ์เอาแพ้เอาชนะด้วยผู้เขียนตีความหมายว่าหลวงปู่มั่นมิได้ประมาทในการกุศลอุทิศเลยไม่ได้หวังว่าจะทําลัทธิการกระทบกระเทือนชาวพุทธทั่วไปไม่ได้ทําด้วยความคับแคสบสะเพาไม่อรอบคอบความจริงใจขององค์ท่านแยกไขยไม่ชอบวิวุ่นทอดสะพานให้ฝ่ายพระธุดงกรรมาฐานตรงๆรง เชือกรรมและผลของกรรมที่ตนทําไว้ก่อนตายอัตตาหิอัตโนนาโถโดยแต่เพราะจะได้สมฐานะกับตนที่แบกกดสภายบาทขึ้นเขาลงห้วยฉันในบาดปลอแสวงอยู่ป่าปลอเดินจงกรมภาวนาปลาลบแต่มรรคผลนิพพานปลอเหล่านี้เป็นต้นและเรื่องที่ผู้เขียนผู้อ่านผู้ฟังจะพิจารณาแบ่งเบาอีกก็มากมายนักหนาผู้ลีดเล่นภาเพียนเพื่อพ้นทุกข์ในสงสาร ก็เป็นการทาบุญปูธให้ตนเองและทั่วทั้งไตรโลกาอยู่แบบตรงๆแล้วและก็เป็นมหาท่อสะพานให้ชาวโลกอยู่โดยตรงๆแล้วการประพฤติปฏิบัติเด็ดเดียวเป็นเครื่องเหนียวใจของท่านผู้ต้องการพ้นทุกข์ในปัจจุบันนะเจ้าการเห็นภัยในสงสารขณะจิตเดียวประเสริฐกว่าการเห็นเพลินในสงสารล้านๆขณะจิตการนอนใจในโลกกับการนอนใจในหลุมฐานเพิงกิเลส ก็คงมีความหมายและรสชาติอันเดียวกันแต่ก็เป็นการเบื่อหูของผู้ไม่สนใจอีกละผู้ทําดีหวังดีก็มีผู้หวังชั่วทําชั่วมาเป็นอุปสรรคผู้ทําชั่วหวังชั่วก็มีผู้ทําดีหวังดีมาเป็นอุปสรรคกันแต่ผลลายรับนั้นต่างกันมากและเหตุไปทางดีและทางชั่วนั้นขึ้นอยู่กับผู้จะเลือกเป็นถูกผู้ไม่รอบครอบในเหตุก็ไม่มีประตูจะรอบครอบในผล ผู้ไม่ลอบครอบในผลก็ไม่มีประตูจะลอบครอบในเหตุได้ผู้ลอบครอบในเหตุก็คือผู้ลอบครอบในผลผู้ลอบครอบในผลก็คือผู้ลอบครอบในเหตุเพราะโยงถึงกันกระจ่างชัดเฉพาะตนไม่ลำบากใจด้วยไม่ว่าเหตุผลตอนไหนไหนสมัยพุทธกาลเก็บศพไว้กี่วันสิ่งที่ควรวิจัยแบ่งเบาเรื่องศพศพแสบๆอีกรังพุทธกาลวัดป่าเจตวันมหาวิหารนั้น มีการเผาศพพระศพเนรอยู่ไม่เว้นแต่ละวันถ้าหากว่าเก็บศพไว้ก็คงไม่มีโกดังพอพระอัญญาโคนธัญญาปลิบนิพพานที่สักชัดทงังช้างป่าธรรชาปนากิจช้างเขาเก็บศพองค์ท่านไว้กี่วันก็ไม่ทราบได้และช้างเขาไปนิมนต์พระที่ไหนมาให้กุสลาก็ไม่ทราบได้เพราะเรียนน้อยรู้น้อยพลอยลำคันพระมหาสาลีบุตรพระมหาโมคคันลานะ ปริมนิพพานก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาองค์ท่านพาคณะสงฆ์และญาติโยมเก็บศพไว้กี่วันก็ไม่ทราบได้ไม่ปรากฏอีกพระราหุนไปปรินิพพานที่ดาวดึงเทวดาเก็บศพไว้กี่วันก็ไม่ทราบอีกเทวดาทำบุญอุทิศด้วยอาหารทิพย์หรือไม่ก็ไม่ทราบอีกมีปัญหาว่านั่นมันเรื่องของพระอรหันต์ทั้งหลายเราจะเอามาเทียบไม่ได้ดอกตอบทันทีว่านั่นแหละ พระอรหันต์ทอดสะพานไว้ให้พวงชนชาวโลกผู้จะสืบไปข้างหน้าพระบรมศาสสดาเจ็ดวันจึงถวายพระเพลิงแต่ถึงกันนั้นมันลักษัตรสั์ก็เวียนถวายพระเพลิงก่อนหลายครั้งแล้วแต่ไม่ติดเพราะเท ว, วดาบรรดามิให้ไปติดเพราะคอยพระมหากัตสปะกําลังเดินทางมาจะถวายบังคมพระพุทธสลีละพร้อมด้วยบริวารหน้าร้อยองค์แต่ผู้เขียนนี้เมื่อตายแล้ว คงจะถูกคอยพระมหากัดเสม็ดก็อาจเป็นได้แต่ได้ทำที่ไหนกรรมไว้แล้วไม่ให้คอยท่านผู้ใดคอยเตียงเอาฟืนเสร็จเท่านั้นกุศลาก็ไม่ต้องว่าอนิจจาก็ไม่ต้องเอ่ยให้เพราะได้เรียนไว้แล้วตายอยู่วัดป่าตะลงก็ไม่ต้องทำเพราะไม่ได้ชูไม่ได้หามผ่านบ้านท่านผู้ใดเว้นไวแต่ตายอยู่ที่อุจารเท่านั้นตายเวลาเชา้าก่อนฉันจังหันบินขบบาดฉันเสร็จแล้วก็เผาเว้นไว้แต่มีอุปสรรค ฝนตกมากหรือเว้นไหวแต่กลางคืนหาปืนไม่ทันเชื่อแน่ว่าประเทศไทยไมิได้อดฟืนถ้าเอาเงินเขาเท่าใดก็ไม่พอง่ายเพราะเมืองพอในตัวเงินไม่มีความเลี้ยงชีวีเนื่องด้วยท่านผู้อื่นจีปาถะ่าจะเอาศพไว้เป็นโลเพื่อล่วงกระเป๋าผู้อื่นเรียกว่าตายร้อนเพราะเดือดร้อนท่านผู้อื่นไม่ใช่ตายเยน็นร้อนทั้งพระนุ่มพระแก่เนียนน้อยคอยเฝ้าศพฉันก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับ มีปัญหาว่ามันเป็นเรื่องของผู้อยู่ข้างหลังตอบจังๆว่ามันเป็นเรื่องเจ้าตัวจะสั่งเสียไว้ด้วยความจริงใจนิะนั้นแล้วจะกลายเป็นผู้ไม่รอบขอบในอนาคตทำความยุ่งเหยิงให้ผู้อยู่ข้างหลังลังเลถ้ามีผู้ติเตียนผู้อยู่ข้างหลังว่าใจคับแคบเจืดจางเกินไปเขาก็มีพินัยกรรมออกอ้างอย่างสมบูรณ์ถ้าพินัยกรรมแต่ปากเปล่าคำผู้เล่าอาจลบเลือน หากยิ่งเป็นลายมือของผู้ตายเขียนไว้เองโดยไม่ถูกข่มเหงหรือผู้อื่นมาล่อให้เขียนก็ยิ่งเป็นเก่งขึ้นเพราะเขียนด้วยศรัทธาอันจริงใจล้านล้านเปอร์เซนต์และก็เป็นมรณสติไม่ประมาทว่าตนจะไม่แตกไม่ตายด้วยจึงสมฐานะของผู้ไม่มักใหญ่ไปสูงในเรื่องศพศพด้วยเพราะไม่ใช่ปลาไม่ใช่เนื้อที่ผู้อยู่ข้างหลังจะแบ่งกันไปทาปาระาประเจา้า ยิ่งแกงแบ่งแจกปลาแดกและน้ำป่าได้หันมาปลาลบเรื่องศพ ข, ขลาวาดครั้งพุทธการเรื่องนางปตาจลาดีดามานดาของนางเป็นเศรษฐีท่านท่านไขไย่อมรู้ดีในคำมบทพากันตายสดส ด, ส ด, สดพร้อมกันในวันเดียวหลายคนบันดนบรรดาลมพัดปราสาทหักตอนกลางคืนตื่นเช้ากินข้าวเสร็จก็เผาในเชิงตะกอเดียวกันสามสี่ศพและสามีของนางลูกของนางสองคนอีก สามีของนางงูกัดตายคาที่ทิ้งกับที่ไม่ได้เผาฝังเลยลูกคนเล็กเยียวเฉียวเอาไปฝังไว้ในท้องมันสดสดลูกคนโตตกน้ำอจิละะ่าวดีน้ำพัดไปไม่เห็นศพนางเสียจริตพิสวงจนถึงกับเป็นบ้าเปลือยกายสุดท้ายก็ได้บวชสำเร็จพระอรหันต์เรื่องศพทั้งหลายก็หายกังวลเพราะเผาศพกิเลสของตนจนเสร็จสิ้นก่อนตายถ้าเขียนไปหลายกลายเป็นเถรีประวัติ แต่เป็นการเทียบชัดที่เก็บศพไว้นานหรือถูกกล่าวตู ว, ว่าคังพุทธกาลเป็นคังล่าสมัยแต่ยุคปัจจุบันจะล่าสมัยก็อาจเป็นได้ในที่นี้ไม่ได้หวังว่าจะปั่นท่านผู้อ่านผู้ฟังให้ยุ่งมันสมองอันใดเลยเกรงว่าจะเพ่งโทษหลวงปู่มั่นเลยเถิดไปเกรงจะกลายเป็นสร้างขุมนรกลงที่ไก่ให้ลึกลับเดือดร้อนมากแต่ขอฝากไว้ให้นักปฏิบัติพิจารณาเองเถิดบางทีอาจเกิดโล่งใจ ไม่กังวลในศพศพของตนก็อาจเป็นได้จะ ก, กังวลแต่เวลามีชีวิตอยู่เพื่อจะได้รีบเล่งสร้างความดีไว้ให้ด่วนชวนเจตนาเพื่อพ้นทุกข์ในสงสารเหลวพันธ์ทันการไม่นานเนื่นชาในปัจจุบั น, นาชาตินี้แลและอีกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาของผู้เกยคุ้นเชื่อแต่เป็นธรรมดาของผู้เรียนวิชาเข็ดหลบับเรียนวิชาเพื่อพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้อันมีกิเลสเป็นแดนเกิด ให้รู้จักชัดกระจังแจ้งว่าเท็จจริงเพียงไหโดยส่วนเฉพาะตัวตามคำสั่งและคำสอนของพระองค์เป็นบัรทัดไม่บัญญัติเอาตามอัตโนมัติของตนด้วยมานะความถือตัวให้เป็นเสี้ยนหนามต่อทมวินัยเพราะพระรมวินัยบริบูรณ์แล้วไม่บกพร่องไปไหนถ้าเทียกใส่อาหารก็ล้างมือเปิบเอาเท่านั้นการเถาศอย่างสมเกียรติพระกรรมฐานหันมาพัลนาต่อไปอีกติดต่อว่า ในปีสองสี่้านั่นเองยุควัดป่าบ้านหนองขือในกลางพันษาก็มีพระมรณะอีกหนึ่งลูกพันษาเก้าชื่อท่านอาจารย์สอนักธรรมเอกบ้านเกิดเมืองนอนของท่านอยู่บ้านศรีฐานอําเภอลุมพุกสมัยนั้นขึ้นจังหวัดอุบลราชธานีสมัยที่เขียนนี้คงเป็นจังหวัดยะโสธรท่านป่วยเป็นไข่ยอยู่ประมาณหนึ่งเดือนก็มรณะภาพไปเพราะเหลือวิสัยจะรักษาได้ในสมัยนั้น แต่สมัยใดๆยุคใดๆก็ตามในศัพ์พระโลกาทั้งมวลรวมกันย่อมมีผู้เกิดผู้ตายอยู่ทุกวินาทีไม่ขาดระยะจองขาดผูกขาดอยู่แล้วเมื่อเกิดเมื่อตายอยู่ทุกวินาทีอย่างนี้แล้วความเกิดความแก่ความเจ็บก็ต้องมีความหมายอันเดียวกันจะบัญญัติว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนั้นก็เป็นเหตุให้คุณเชื่อลืมตัวลืมตนลืมใจลืมธรรม หากดอกไม้บูชาส่งเสริมความหลงประมาทมัวเมาหนักขึ้นพระบรมม า, าสดาจึงทรงพระมหาการุณาก่าวแก่พระอานนท์ว่าการพิจารณาความตายวันละลอยครั้งนั้นยังประมาทอยู่นะอานนท์พิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกจึงจะไม่ประมาทเมื่อจะตีความหมายว่าพระองค์เทศข้อนี้เฉพาะพระอานนท์องค์เดียวแล้วสับพะโลกทั้งพวงแก่เจ็บตายไม่เป็นหลอกหรือ หรือแก่เจ็บตายแต่พระอานนท์องค์เดียวเมื่อเป็นดังนี้ทำคำสั่งสอนของพระองค์แต่ละบทแต่ละบทอันบริสุทธิ์ใสสะอาดย่มหยาดลดให้ทั่วถึงสัพระไตโลกธาตุอยู่โดยตรงๆแล้วเช่นยกชาติปิดทุกขาบทเดียวเท่านี้ก็ถูกไตโลกธาตุกระเทือนไปทั้งผู้หูหนวกตาบอด ท, ทั้งนั้นในฝ่ายสัตว์ที่มีวิญ ญ, ญาณกรองสิ่งไม่เวนย้อนหลังคืนมาเล่าเรื่องพระอาจารย์สมลนภาพอีก การทำชาปนกิจนั้นก็ทําแบบพระอาจารย์เนี่ยมนั่นเองมิได้จิตกันแม้แต่นิดเดียวสอดแสดงให้เห็นชัดได้ว่าหลวงปู่มั่นทอดสะพานให้ลูกศิษย์กรรมฐานในส่วนศพของพระเนนกรรมฐานไว้โดยกระจ่างแจ้งแล้วและสอดแสดงให้เห็นชัดอีกว่าตัวขององค์ท่านเมื่อสิ้นลมปลานก็ต้องการให้ลูกศิษย์ทำถวายแบบนั้นจริงตามเจตนารักธรรมอันสงบแท้ ไม่มีมายาสาไถ่อันใดเลยในส่วนนี้แทๆ้ๆชาวโลกเขานิยมกันว่าการเก็บศพไว้นานเพื่อทำให้สมเกียรติโลกการเผาเร็วคล้ายกับว่าเป็นของไม่มีค่าข้าพระเจ้าหนักไปในทางเผาเร็วเป็นของสมเกียรติพระกรรมฐานแท้เพราะไม่อยากจะดับบ่วงดักแล้วไว้ขูดขูดเกาๆท่านผู้ใดทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่มักมีปัญหาว่าท่านผู้นั้นมาไม่ทันท่านผู้อยู่ไกลโนนมาไม่ทันดังนี้ ความจริงแล้วใครจะมาเวลาไหนไหนก็ทันอยู่เพราะผู้สิ้นลมปรานไปไม่ได้คืนกลับมามาเวลาใดก็ทันทั้งนั้นคือทันตายแล้วนั่นเองแต่ถ้าหากว่าได้รับทราบข่าวว่าตายพอมาถึงแล้วผู้ตายนั้นฟื้นขึ้นมาเรียกว่ามาไม่ทันตายจะอย่างไรก็ทันเกิดทันตายอยู่ทุกเมื่อเพราะเหตุว่าร่างกายอันมีหนังงุ่มอยู่โดยรอบมีทั้งก้อนเกิดก้อนตายอยู่โดยทำอันแท้แล้ว ผู้ท่าเกิดทําตายลึกลงไปกว่านั้นอีกเล่ามีท่านผู้ใดหนอขอตอบตามอัตโนมัติว่าพระอรหันต์พวกรู้ทันการเกิดรู้ทันการตายแล้วไม่มาเกิดมาตายอีกเหลือนอกนั้นได้แค้เกิดเกิดตายตายทั้งนั้นผู้เขียนอยู่นี้เห็นพระอรหันต์หรือไม่หนอตอบว่าพอได้ยินแต่ชื่อว่าอรหันต์อรหันต์ก็เลื่อมใสศรัทธาอยู่มากแล้วแต่เมื่อได้เห็นจริงยิ่งจะเขียนมากกว่านี้ เขียนจนท่านผู้อ่านขี้เกียจอ่านแท้จริงจะหาพระอรหันต์ในหนังหุ้มย่อมไม่พบเลยเพราะพระอรหันต์มิได้เป็นเปรตมาเฝ้าหนังหุ้มถ้าหนังหุ้มเป็นพระอรหันต์แล้วโคกระบือก็เป็นพระอรหันต์ได้ทั้งนั้นผู้พิจารณาหนังหุ้มลงสู่ปฏิกูลหรือเป็นแต่ศัพท์ว่าธาตุดินน้ำไฟลมผสมผสานกันอยู่ก็ดีหรือพิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์ก็ดีนั่นเป็นหนทาง เดินไปสู่พระอาหารหันต์เท่านั้นและถ้าถึงพระอาหารหันต์แล้วหากจะเห็นอาหารหันต์เองดอกถ้ายังไม่ถึงแล้วก็ขาดเนเดาด้านทั้งนั้นจะทุ่มเถียงเกี่ยงงอนจันสักข์เท่าใดก็ไม่เห็นได้และถ้าไม่ทุ่มเถียงกันแล้วเป็นพระอาหารหันต์ก็ดีดินน้ําไปลมล้วนๆที่ไม่มีวิญ ญ, ญาณคลองจิงไม่ได้ทุ่มเถียงกันสัตทีก็เป็นพระอาหารหันต์ได้ทั้งนั้นเรียนวิชาทางติดแล้วไม่คาเป็นของเรียน ง, ง่าย เพราะเรียนทางมานะพิติเรียนวิชาทางติดแล้วคาะเป็นของเรียนยากเพราะนิยมกันว่าเสียเปรีย บ, ยบฉะนั้นจึงมีแต่อาจารย์เต็มโลกแต่หาลูกศิษย์ยากเพราะเหตุว่าต่างฝ่ายต่างก็มุ่งจะเทิดเอากันไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเรื่องมานะถือตัวจัดจึงเป็นกิเลสตัวสำคัญถ้าไม่มีคำสอนพระบรมศาสดาเป็นบรรทัดไวยิ่งจะไปกันใหญ่ไม่มีสถานี และผู้เชื่อคําสอนของพระองค์แทแจ<ๆ>ก็คงมีส่วนน้อยสงครามเวรสงครามภายัยจึงมีอยู่ทุกหยก่อมหญ้าและเกือบทุกหย่อมหัวใจระเบเดียบปฏิบัติวัดหนองผือจะกล่าวต่อไปในการอยู่ต่อไปในสํานักของหลวงปู่มั่นยุควัดป่าบ้านหนองผือคําสั่งและคําสอนขององค์ท่านมีหลายหลายอุบายและหลายๆในจะเป็นอุบายใดๆและในใดๆก็ตาม<ๆ>เพื่อให้ผู้เห็นผู้ฟังผู้รู้ พิจารณาหลุดพ้นในสงสารโดยด่วนทั้งนั้นเพราะไม่ใช่บวชเล่นไม่ใช่ปฏิบัติเล่นเพื่อลวงตนเพื่อลวงโลกเพื่ออามิ t h ใดๆทั้งสิ้นองค์ท่านเท่าทำหันและเขย่าลูกศิษย์อยู่บ่อยๆในยุคบ้านหนองถือเป็นยุคสุดท้ายขององค์ท่านรับลูกศิษย์ไว้มากจริงฝ่ายพระไม่เกินสิบห้าองค์เนนไม่เกินสี่องค์ตาปะกเขาไม่เกินสองคนแม่ชีไม่เกินสามคนแต่แม่ชีไม่ให้อยู่ในบริเวณวัด เขาไปทำที่พักไว้ไกลวัดหลวงปู่และหมู่พระฟ้าบ้านหนองถือทิศตะวันตกวัดป่าของหลวงปู่และหมู่พระเนมีมอยู่ทิศตะวันออกของบ้านหนองถือฟ้าตุ่งนาวัดแม่ขาวและวัดพระไกลกันไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าเซนและองค์ท่านไม่ง่ายพระไปติดต่อเขาเป็นต้นว่าถักสพ บ, บาทถลกบาทหรือทอประคตเอวหรือเมื่อเวลาเขามาตอนเจ้าส่งอาหารหลวงปู่เป็นบางลายเท่านั้น โยมทางไกลมานอนค้างคืนเมื่อค้างคืนเขาก็ไปหาพักหากินหานอนที่อื่นไม่ว่าโยมประจำบ้านและโยมมาทำบุญทางอื่นเขาไม่เอาศาลาของพระเป็นที่รับอาหารของเขาเขาไปกินกันทางอื่นเว้นไว้แต่มาคนเดียวหรือสองคนเป็นเพศชายมาศึกษาธรรมะจากต่างจังหวัดไกลหรือมาเยี่ยมพิกสุสัมมเนีนป่วยอยู่ที่นั้นแล้วจะได้ดูแลรักษาช่วยกัน แล้วนอนค้างคืนอยู่ติดติดกันก็ต้องกินอยู่ที่นั้นนอนอยู่นั่นด้วยแต่ก็กินหนเดียวเมื่อเดียวเหมือนพระอยู่อย่างสงบไม่อืงขันหึงเขามีใจพอพึงเป็นเองไม่ได้บังคับว่าอาจารย์มั่นถือผ้าบางสุกุลตลอดชีวิตด้านบินธบาตหลวงปู่มั่นพาลูกศิษย์ปฏิบัติยินดีพัดที่ตกลงในบาตไม่ค่อยส่งเสริมในการตามส่งทีหลังอันเป็นปัจฉาพัดยินดีฉันรวมในบาต ทั้งหวานเข่าไม่สดชรอนเอามือเป็นช้อนด้านทีวอยินดีผ้าบังสุกุลไว้ไว้ที่กุติบ้างบันไดใกล้ที่ขึ้นลงบ้างทางไปส้วมและใกล้ทางจงกมและทางไปบินทบาทบ้างและในศาลาที่ประชุมฉันบ้างแต่หลวงปู่มีภาพพดลงไปอีกมีข้อสังเกตของพระอาจารย์มหาบัวเล่าให้ผู้เขียนฟังเป็นพิเศษจึงสังเกตได้พระอาจารย์มหาบัวเล่าให้ฟังว่าล่าเอ๋ย ผมสังเกตหลวงปู่มั่นได้คือผ้าบางสุกุลอันใดที่เจ้าศรัทธาเขาทํากองผ้าบังสุกูลไว้เป็นส่วนรวมเช่นที่หนทางบินธบัตและศาลาที่ล้มไม้ไกล้จากกุฏิองค์ท่านแม้องค์ท่านจะขาดเถิ่อนสักเพียงใดก็ดีองค์ท่านไม่ค่อยจะใช้ให้เขาหรือไม่ใช้เลยก็ว่าได้องค์ท่านใช้แต่เฉพาะที่เขาเอามาบางสุกุลไว้ที่กุฏิใกล้บันไดใกล้สวม ใกล้บริเวณทางจงกรมขององค์ท่านเท่านั้นสังเกต ด, ดูถ้าไม่เชื่อเมื่อสังเกต ด, ดูก็เป็นจริงแท้เพราะองค์ท่านลึกซึ้งใช้ของไม่มีราคีแก่ท่านผู้ใดและของที่เขาเอามาบาังสุขุณใกล้บริเวณที่องค์ท่านอยู่และพักนั้นก็ดีองค์ท่านไม่ได้หวงไว้ชายองค์เดียวเมื่อลูกศิษย์ขาดเขนก็ให้ทั้งนั้นในยุคหนองผือพระอาจารย์มหาเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นลึกซึ้งมากทุกวิถีทาง หลวงปู่มั่นไว้ใจกว่าองค์อื่นๆในกรณีทุกๆด้านควรจะเปลี่ยนไตจีวรถุนใดถุนหนึ่งก็ดีหรือครบทั้งไตก็ดีหรือสิ่งใดที่ควรเก็บไว้เป็นพิเศษเฉพาะองค์หลวงปู่ก็ดีในด้านจีวรและของใช้เป็นบางอย่างตลอดทั้งเทศเป็นหน้าที่ของท่านพระอาจารย์มหาทั้งนั้นเป็นผู้แนะนำให้คณะสงฆ์รู้ความหมายลับหลังหลวงปู่มั่นทั้งนั้นและหลวงปู่มั่น ก็ไม่ได้นัดหมายให้พระอาจารย์มหาบัวทำประโยชน์เพื่อองค์ท่านเองอย่างนั้นทั้งทางตรงและทางอ้อมลึกหรือตื้นด้วยประการใดๆเลยพระอาจารย์มหาเขาลบลึกซึ้งเป็นเองและไม่ผิดธรรมด้วยไม่ผิดวินัยด้วยเพราะธรรมวินัยมีอยู่แล้วว่าภิสุสั ม, มเนในใดไปไลท่ทีทีเบี้ยปัจใจสีที่ได้มาโดยทางที่ชอบจากพระเถระในสังคมนั้นๆหรือสำนักนั้นๆเป็นอาบัตทุกกฎ ในพระวินยัยปิฎกได้กล่าวไว้แล้วฉะนั้นในพระพุทธศาสนาจึงเว้นคุณวุฑโทไวยวุฑโทไม่ได้บิดามารดาฝ่ายฆลาวาสก็โดยในคุณระบรคุณลัทธิดาจะไปไล่ตีตีเบี้ยการกินการใช้กับบิดามารดาปูยา่าาย่าตายายก็ขาดความเคารพและชิลิและไม่สมบูรณ์ในธรรมวินัยส่วนนี้ด้วยกลายเป็นตีเสมออักตันอยู่แม้ถ้าองค์ท่านเตือนงาม ในการกินการใช้ก็ต้องมีอุบายละมุนละไม่คนอุบายปารบศึกษาโดยเคารลบว่าทำอย่างนั้นมันจะไม่เกินไปดอกหรือประการใดเมื่อท่านเห็นว่าเกินไปท่านก็จะผ่อนลงโดยสุภาพเมื่อท่านเห็นว่าไม่เกินไปท่านก็จะอธิบายเหตุผลให้ฟังโดยสุภาพให้เราเข้าใจเพราะเราใช้อุบายเตือนโดยเคารบท่านก็จะใช้อธิบายโดยเคารลละมุนละไมผู้น้อยเตือนผู้ใหญ่ ใช้คำหยาบและเสียดสีไม่ได้พระวินัยมีไว้แล้วผู้ใหญ่เตือนผู้น้อยแล้วแต่กรณีในเนื้อเรื่องและเหตุผลเป็นภาพพ์อยู่กับท่านแต่พระวินัยและธรรมห้ามไ ม, ม่ให้ผูกอาคาตและเขี่ยตีเพาเกินไปพระองค์ทรงบัญญัติไว้พอดีแล้วเสนาสะนะยุบบ้านหนองถือที่นี้ด้านเสนาสะนะองคหลวงปู่ไม่ได้ชอบก่อสร้างหรูหราอะไรดอกทาพอได้อยู่ก็ก็จะแกะไปเท่านั้น อย่างสูงก็มุงกระดานปูกระดานก็ไม่ใส่กบฝาก็เหมือนกันสมัยนั้นมีปูกระดานมุงกระดานสี่หลังเท่านั้นกับศาลาอุโบโสถอีกหลังหนึ่งกว้างประมาณหเมตรยาวประมาณแดเมตรเป็นศาลาเก่าโบราณที่เขาถูกไว้ก่อนหลวงปู่มั่นไปอยู่ส่วนศาลาฉันนั้นที่ปูฟากได้กล่าวแล้วหลังอื่นๆที่พระเนนอยู่นั้นปูฟากมัดด้วยเกลือเขาวันและมัดด้วยตอก ด้นด้วยฝาแถบตองใบตองก่อและใบหูกวางทั้งนั้นประตูทําเป็นฝาแถบตองเป็นหูผักไปมาหน้าต่างฝาแถบตองเสี่ยมไม้ไผ่เป็นง้ามคาเอาในเวลาเปิดเชือกลเดียงตากผ้ า, าก็ฟันเอาไผ่ยิปโปเป็นสามเกี่ยวเพราะฝไายไม่หดส่วนเครื่องมุงกุติก็ยากพาเป็นส่วนมากตามธรรมดาประจําปีพอถึงเดือนกุมภาพัน์ก็มีการซ่อมแซมหลังคาระดมไผ่าก เวลาเช่นนั้นโยมก็มาช่วยพระเนรทั้งหมดก็หาภัยยาใครจะใช้อุบายหลบ ก, การงานไม่ได้เว้นไว้แต่ผู้ป่วยจริงๆจั ง, จงๆการทํางานไม่ได้มีเสียงอืกอทึกเมื่อมีเรื่องจําเป็นพูดกันพอได้ยินถ้ามีการผ่าพืน่นก็ได้ยินแต่เสียงงานฟังไกลหนึ่งเส้นแล้วไม่ได้ยินเสียงพูดถ้าไกลหนึ่งเส้นแล้วได้ยินเสียงก็ได้ยินแต่เสียงหลวงปู่องค์เดียวเท่านั้นละ่ะแต่ไม่ได้ทํางานจนเลยเขี้ยดข้อวัด เช่นกว่าตาดาและตักน้ําเป็นต้นการเก็บเครื่องมือและอะไรต่ออะไรก็เรียบร้อยไม่ปล่อยละเนลนาถ้าทำสองวันติดติดกันยังไม่เสร็จหลวงปู่ให้หยุดพักหนึ่งวันเสียก่อนเกรงว่าสมถะและวิปัสสนาจะไม่ติดต่อแล้วจึงทําต่อไปเป็นระยะหยุดเป็นระยะหยุดนี้แปลว่างานที่เกี่ยวข้องหมดวัดแต่ข้อวัดเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ประจําวันเวลานั้นและส่วนรวมประจําวันเวลานั้น จะไม่ตรงต่อเวลาไม่ได้ผูกขาดอยู่แล้วส่วนข้อวัดประจําจตัวเดินจงกรมภาวนาตอนกลางคื น, นนั้นก็ผูกขาดอีกจะอวดอ้างว่าตอนกลางวันเราไม่ได้พักเราจะนอนแต่หัวข่ําละวันนี้หรือเราจะตื่นสายละวันนี้ก็ไม่ได้อีกเว้นไว้แต่เจ็บป่วยจริงๆถ้าเจ็บนิดๆหน่อยน่อยแล้วโกหกว่าเป็นหนักองค์หลวงปู่ก็รู้และหมู่เพื่อนผู้ตาแหลมก็รู้อีก วิชาขี้เกียจที่คลานวิชามักง่ายวิชาเห็นแก่ตัวในอามิตรต่างๆไม่มีในสำนักของหลวงปู่มั่นเลยถ้ามีก็อยู่ไม่ได้กระเด็นเลยไม่วิธีหนึ่งก็วิธีหนึ่งละในยุควัดป่าบ้านหนองผือไม่ขี้เกียจเขียนเลยพอใจเต็มที่แล้วเพราะเห็นด้วยตาจิจารณาด้วยใจเพราะไม่ได้อ้างออกนอกไปว่าได้ยินแต่เขาว่า เขานั้นมันเกิดทีหลังของหูและตานอกตาในตาปัญญาตาปัญญาชั้นสูงสุดสามารถไล่ความหลงและโง่โ ง, ง่และหลงและอวิชาและกิเลสก็อันเดียวกันตองปัญญานิพพิทาวิมุตติไล่ออกไปแต่กระเจิง